เปิดหน้า6ข้อ2สับเดิมที่ลงปฐมาวิพัตนที่เรียกว่าลิงคัตานนั่นแหละอยู่ในที่ที่มีกิริยาก็จะถูกเรียกว่ากัตตาดูข้อ2นะลิงคัตฐานั่นแหละทำหน้าที่เป็นประธานผู้ทำกิกริยากัตุวาจกมีบุญรุษและวาจะนะตรงกับกิริยาก็เรียกว่ากัตตากรุณาสังเกตประโยคเหล่านี้แล้วฝึกแปลให้เป็นภาษาไทยประโยคข้างล่างนี้เป็นสูตร ของบุรุษเป็นสูตรของบุรุษถ้าสังเกตดูก็คือโสติเตอันติตวังสิตุมเหตะอาหางมิมายังมะนั่นเองแต่ว่าจะใส่กิยายทธเห็นครบทั้งท่าทั้งปัจจัยทั้งวิพัตโสภวติโหติอธัธิจะบอกว่าโสภวติโสโหติโสอัติก็ได้ใช้กิยาตัวใดตัวหนึ่งเตภวันติ โหดติสันติก็คือเตหพวันติเตหโหดติเตสันตินั่นเองกิจยาทั้งหมดแปลว่ามีอยู่เหมือนกันหมดเลยมีอยู่ย่อมมีจะมีใช่ไหมอยู่ย่อมจะแปลว่าธรรมนาวิพัตน์เพราะทั้งหมดนี่เป็นเป็นปัทมาวิพัฒน์ตวังภวสีโหสิอสิก็คือตวังภวสิตวังโหสิตวังอสิตุ้มเหพระวัฏโหทัถฐก็คือตุ้มเหภวัฏตุมเหโหทะ ตุมเหอัฏะอหังพวามิโหมิอัมหิอัสมิก็คืออหังพวามิอหังโหมิอหังอัมหิอหังอัสมิมยังพวามะโหมะอัมหะอัสมะก็คือมยังพวามะมยังโหมะมยังอัมหะหรือมยังอัสมะบทเหล่านี้คือโส เต๊ีกหน้านะขอล่ำหน้าลนะซีกนาโสเตตวังตุมเหอะหังมะยังเป็นกัตตาผู้ทํากิริยาก็คือเป็นผู้ทํำส่วนภระวะติพระวันติภวะสีภวัฒพ ร, ะ ว, ะะพรวามิภรวามะเป็นต้นนอกจากโหติโหติหรืออัติสันตินะเป็นกิริยาคําพูดแต่และประโยคจะประกอบด้วยกัตตาและกิริยาเรียกว่าวากยะกัตตาและกิริยาเท่านั้นนะเรียกวากยะนะ บางว่ากยะมีแต่ประธานกับกิริยาเท่านั้นบางว่ากัยะมีประธานกับกิริยาเท่านั้นบางว่ากยะมีกรรมะมีกัรณะมีสัมปทานะมีอปาทานะมีสามีสัมมันทะและมีโอกาสะเพิ่มเข้ามาที่เป็นเช่นนี้ขึ้นอยู่กับข้อความในว่ากยะนั้นนั้น ว่าจะกล่าวเพียงใดจึงได้เนื้อความชัดเจนเราต้องการใส่กรรมถ้ามีกรรมก็ใส่กรรมถ้าต้องการเครื่องมือช่วยทาก็ใส่การณะถ้าต้องการพุ่งรับก็ใส่สัมปทานะถ้าต้องการแสดงขอบเขตที่ีที่หลีกจากมาก็ใส่อปาทานะต้องการเจ้าของคำใดคำหนึ่งก็ใส่สามีสมระต้องการสถานที่และเวลาก็ใส่โอกาสะเพิ่มเข้าไปในประโยคนั้น แล้วแต่ว่าเราต้องการพูดเท่าไรต้องการใช้เนื้อความขอบเขตของเนื้อความเท่าใดก็ใช้คําเท่านั้นสรุปแล้วมีเพียงกัตตากิริยาเรียกว่าว้า ก, ะกะยะเรียกว่าประโยคแล้วแต่ว่าบางประโยคก็จะมีมากกว่ากิริยามากกว่ากัตตาและกิริยาคือมีกรรมมีขราะสัมมัานะอปาฐานะสามีสัมมทะและโอกาสะเข้ามาแทรกเข้ามาอยู่ในที่นั้นด้วยเพื่อแสดงเนื้อความให้ชัดเจนที่สุด นักศึกษาน ส, สามารถนําเอาบทที่เป็นลิงคัตถะในข้อหนึ่งลิงคัตถะในข้อหนึ่งที่ผ่านมาที่ว่าเป็นบทใครบทมันนั่นนะมาใช้เป็นกัตตาได้ทุกบทใช้เป็นกัตตาได้ทุกบทใช้เป็นกัตตาได้ทุกบทปุ๋ยโสพุทโธธรรมโมสังโฆอะไรมาเป็นประธานได้คับนะคำว่ากัตตาในทนี้คือประธานประธานเพราะกัตตาในนี้หมายถึงสยกักตาปัธมาวิพัตโลในอัตกัตตาหมายถึงสยกักตา ไม่ได้หมายถึงอนาพิยตักตาต้องหมายถึงสยจกตาถ้าไม่ชัดเจนก็ย้อนคืนไปดูบทข้อหนึ่งใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นหน้าสี่ใหม่กรตาเรียกอย่างหนึ่งว่าสยจกตานั่นคืออัดของปฐมาวิพัตน์เท่านั้นไม่เกี่ยวกับตธัธยาตอนนี้เราอย่าเพิ่งมองไปถึงตธัธยาเราจะพูดเฉพาะปฐมาอย่างเดียวกรุณาแปลประโยคเหล่านี้ให้เป็นภาษาไทยประโยค ง, ง่ายๆพุทโธหติ พุทโธแปลว่าเราแปลมาแล้วเนี่ยพุทโธพระพุทธเจ้าโหติแปลว่าย่อมมีย่อมเป็นมีอยู่เป็นอยู่จะมีจะเป็นเอาสักอย่างหนึ่งถ้าก่อนก็มีปัจจุบันก็มีนะเขาก็จะมีก็ย่อมเพราะคําว่าย่อมคือปกติอัามันครับสียาสามันคือแปลว่าย่อมดังนั้นพุทโธพระพุทธเจ้าโหติย่อมมีคือมีพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามี พุทโธโหติพระพุทธเจ้ามีอยู่ย่อมมีเนี่ยประโยคละเพราะกิยาว่าโหติเนี่ยมันเป็นธาตุที่ไม่มีกรรมไม่ต้องใส่กรรมขึ้นมาพระพุทธเจ้าย่อมมีซึ่งบุรุษเข้ากันไหมพระพุทธเจ้าย่อมมีซึ่งสาวกเข้ากันไหมไม่เข้าภาษาไทยจะได้แต่บาลีไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้พระพุทธเจ้าย่อมมีพระพุทธเจ้ามีอยู่พระพุทธเจ้าจะมีวัตถมนาวิพัตเตอเอาเป็นแล้วยังไงพระพุทธเจ้ามีอยู่ มีพระพุทธเจ้าไงเช่นเราจะพูดว่าในสมัยก่อนก็คือในสมัยพุทธกาลเช่นปฐมโพธิการมีพระพุทธเจ้าปัจจุบันนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าก็คือใช้คำแค่นี้แค่นี้เอาดูต่อไปพระหูพศพุทธาโหติแปลพุทธาพระพุทธเจ้าทั้งหลายโหติ มีอยู่ย่อมมีแล้วแต่จะแปลคําไหนได้ทั้งนั้นนตะวังโหสิแปลให้ได้ยกศัพท์มาแปลตะวังไม่ต้องอันว่าครับตะวังท่านโหสิตุ้มเหห์โหธายกศัพท์มันมาด้วยตุ้มเหท่านทั้งหลายโหธะย่อมมีว่าไปอะหังข้าพเจ้าอาหารหอมี อหังโมิอห Harbor, ัง it, ข้าพเจ้าโฮมิมีอยู่าไปทั ang, freely, ling, ้งหลายต่อ oh ไปกัญญาอาทิต์ตั้งใ <uy Hero. S 1> จว่าดีๆครับอย่าให้สักแต่ว่าครับกัญญาโยสันติ กันยาโยสาวน้อยทั้งหลายสันติมีอยู่ตวังอาศิตะวังท่านอาศิมีอยู่ตุมเหอาธาตุมเหท่านทั้งหลายอาธามีอยู่อาหางอัมหิตอาหางข้าพระเจ้าอัมหิตมีอยู่มะยังอัมหะ มายังข้าพเจ้าอํมอัมหามีอยู่โกสยติโกใครดูข้างล่างนะแต่ละคําแปลไว้ให้แล้วถ้าแปลคําไหนไม่ออกนะโกใครสยติย่อมนอนหรือนอนอยู่ใครนอนอยู่เป็นคําถามใครนอนอยู่น่ะต่อไปทางรโกสยติทางรโกเด็กเด็กชาย สายตินอนอยู่กาใครใครครับปัจจิตย่อมหงงทางริกาเด็กหญิงอัจฉปัจิย่อมหงงแกคัดฉันติแกใครแกใครหรือแกคนเหล่าไหนคัดฉันติย่อมไป ปุ๋งริษาบุงญรูททั้งหลายคัดฉันติย่อมไปกายโยอาคัดฉันติกายโยหญิงทั้งหลายเหล่าไหนคาคัดฉันติย่อมมากัญญายโยอาคัดฉันติกัญญายโยสาวน้อยทั้งหลายอาคัดฉันติย่อมมา ปุญญเจผุงวิโสกัยิ่งรากัยิ่งราเถหนังปูน้ปูนังตามหิฉันทางกัยิ่งราทะสุโคปุญญสัอุจโยดูนะทีนี้จะแปลให้ดูนะปุญญเจเป็นสนธิตัดมาเป็นปุญยังบวกเจปุญยังบทหนึ่งเจบทหนึ่งกัยิ่งราเถนังก็เป็นสนธิตัดเป็นกะยิ่งราทะบวกเอหนัง เอนังก็คือเอตะสพัพนามตะเป็นนะเป็นเอนางเอตังอันเดียวกันตะเป็นนะเาเคยทมาเยอะแล้วเอนังก็เอตังนั่นแหละนะแล้วก็มีเธอเนี่ยสนธิมีสนธิสองบทบุญยังแปลว่าซึ่งบุญเจ<า>เป็นนิบาทแปลว่าหากว่าถ้าว่าถ้าว่าหรือหากว่าหรือว่าหาก หรือว่าท่าเฉยๆก็ได้ภุมิิโสเป็นประธานในทีนี้ปุริโสแปลว่าบุรุษก็จริงแต่โดยทั่วๆไปปุริโสในแปลว่าบุคคลเพราะภุริโสผู้ชายก็ภุริโสผู้หญิงก็ภุริโสได้นั้นภูริโสเป็นคําสามัญที่สุดแปลว่าคนแปลว่าบุคคลกะยิ่งรากะยิ่งรากริยาตัวนี้เนี่ยนะกะยิ่งราตัวนี้มาจากเอยะสัตตมีวิพัต เอยะสัตตมีวิพัตเอยะเอยะเป็นอากัณราธาตุบวกอิยะปัจจัยแล้วบวกเอยะสัตตมีวิพัตกะยิรากัณฐะบวกอิยะอิยะนี่เป็นปัจจัยไปจมวดธาตุนะตนาทิโตโอยิกราหนงไงตนาทิคณะมาจากลงโอปัจจัยได้ลงยิงระปัจจัยได้2ตัวดังนั้นตัวนี้ลงยิงระปัจจัย กระธาตยิระปัจจัยมีการกลับระยะเป็นยะระด้วยวิธีวิปริยยะจําได้ไหมหะยะเป็นยะหะก็วิปริย ะ, ยะยะระเป็นระยะก็วิปริยะกลับกันกลับตําแหน่งกันระหว่างระกับยะบาอาจารย์บอกว่าไม่ต้องกลับหรอกกระธาตันแหละลงยิระปัจจัยแล้วก็ลบระที่สุดธาติทิ้งไปสิก็สําเร็จเป็นกะยิระเหมือนกันดังนั้นก็คือ กะรธาตุบวกยิระบวกเอยะเอยะเป็นอาก็จะเป็นกะระยิราลบระที่สุดธาตุทิ้งก็จะเป็นกะยิกราเลยแปลว่าพึงทําควรทําต่อไปกะยิงราเถนังกะยิงราถบวกเอนังกะยิงราถากยิงราถะตัวนี้มาจากเอถาวิพัต เอถาเองรังเอโถฝ่ายอุดฝ่ายอัตโนโบทอาเทศเอเป็นอาเหมือนกันเอถาเป็นอาถากริยาถาเอเป็นอเป็นกริยาถาเอนังแปลว่านั้นนั้นก็คือบุญนั่นเองบุญนั้นปุณณปุนังเป็นนิบาศแปลว่าซ้ำแล้วซ้ำอีกบ่อย ปูนัปูนังแปลว่าบ่อยๆแปลว่านิดเป็นนิดแปลว่าเนืองเนืองปุณัปุนังเป็นคําซ้ําเป็นนิดเป็นนิดเนืองเนืองบ่อยๆซ้ําแล้วซ้ําอีกครั้งแล้วครั้งเล่าปูนัปูนังเนี่ยตัมมหิแปลว่าในนั้นคําว่านั้นก็คือบุญนั่นเองในบุญนั้นตัมมหิมาจากตะสพนามลงสมิงเป็นมหิตัมมหิในบุญนั้น เป็นสัพพนามก็ต้องโยกอย่างอื่นเข้ามาแปลว่าในนั้นเฉยๆโยกบุญมาก็เป็นในบุญนั้นชั้นทางชั้นทัศท์แปลว่าความพอใจอังทุติยาแปลว่าซึ่งชั้นทางซึ่งความพอใจกยิงราถะตัวนี้ก็เหมือนกับกยอิงราธะตัวบนนั่นแหละแปลว่าพึงกระทำเหมือนกันแปลว่าพึงทำควรทาสุขโขเป็นความสุข ปุญญสสะเป็นฉัฏถีวิพัตลงสะฉัฏถีวิพัตปกติฉัฏถีวิพัตจะแปลว่าแห่งของเมื่อแต่ในทีนี้ฉัฏถีบทนี้แปลเป็นกรรมแปลเป็นกรรมก็คือแปลว่าซึ่งบุญปุ ญ, ญัสสะซึ่งบุญเป็นฉถีกรร ม, มะเอาฉัฏถีวิพัตมาใช้ในอัถกรร ม, มะลองเปิดไปดูฉัฏถีวิพัตเพื่อได้เห็นชัดเจนมากขึ้น หน้าสี่สิบสามหน้าสี่สิบสามลองเปิดไปดูนะฉัตรีลงในอัตกรรมเป็นทุติยาวิพัฒมีไหมหน้าสี่บสามดูข้อสองตัวดําๆทุติยัตถะใช้ในอัตทุติยาวิพัตน์ยังไงฉัตรีวิพัฒน์ใช้ในอัตทุติยาวิพัฒน์อ่าสี่สิบสามเห็นไหมข้อสองธุติยัตถะอัตทุติยามิพัฒน์ก็คือคุณยัตสะนี่แหละอักลับขึ้นมาคุณยัตสะ อุจโยแปลว่าการเพิ่มพูนการพอกพูนการสะสมการสั่งสมการเพิ่มเติมการเสริมอุจโยเนี่ยมาจากอุแปลว่าขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นแล้วก็มาจากจิท่าในอัดว่าสะสมสั่งสมสั่งสมขึ้นสั่งสมขึ้นสั่งสมขึ้นอุจโยเนี่แปลว่าการสั่งสมขึ้นเรื่อยๆแต่ภาษาไทยก็แปลว่าสั่งสมนี่แหละอุแปลว่าขึ้นขึ้นขึ้น ปูนีแปลว่าขึ้นจิแปลว่าสะสมสะสมขึ้นสะสมขึ้นโดยความหมายอ่ะจะยะนั่นแหละมาจากจิตธาตุจิตชัดเจนในการสะสมในการในการก่อในการเพิ่มในการสะสมในการสั่งสมในการเติมทีนี้ฟังฟังแปลก่อนนะแล้วจะได้เห็นตัวไหนแปลเป็นตัวไหนเจนีบาดต้นข้อความอยู่ในข้อไหนในหลักการแปล หาอารพนาไม่เห็นหานิบาตต้นข้อความเห็นเจนี่แหละนิบาตต้นข้อความนหะเจหากว่าปุริโสบุคคลปุริโสบุรุษก็ได้ปุริปุริโสบุคคลก็ได้แล้วแต่เราชอบแปลคําไหนปุริโสบุรุษหรือปริโสบุคคลหากว่าบุคคลกะยิกราพึงกระทํากะยิกราพึงกระทํา ปุณยังซึ่งบุญหากว่าบุคคลพึงกระทําซึ่งบุญท้าวโอหานก็บอกว่าหากบุคคลจะทําบุญเจส่วนมากนิยมแปลว่าหากแล้วจบประโยคแล้วเติมคําว่าไซหากบุคคลจะทําบุญไซถ้าไม่ไซก็สํานวนสมัยใหม่หากบุคคลจะทําบุญแล้วก็ กยิงราเถนังปุนณปุังกยิงราทะควรทำควรกระทำควรกระทำเอนังเอนังซึ่งบุญนั้นเอนังซึ่งบุญนั้นปุนณ์ปุนังบ่อยๆเนืองๆหลายๆครั้งซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นนิดแล้วแต่จะใช้วาอย่างไรก็ได้ปุณณ์ปุณัง ปูน่ปูนังกปว่าอีกอีกนั่นเองต่อไปกะยิ่งราธะในบทที่สกะยิ่งราถะพึงกระทําฉันทังซึ่งความพอใจตัมมะหิในบุญ น, นั้นพึงทําความพอใจในบุญ น, นั้นอุจโยการสั่งสมถ้าคุณงามความดีใช้ว่าสั่งสมถ้าวัตถุสิ่งของใช้ว่าสะสม ภาษาไทยนะอุจยโยการสั่งสมคุณยัตสะซึ่งบุญสุโ ข, เ ป, ขเป็นความสุขการสั่งสมซึ่งบุญเป็นความสุขแปลยกศัพท์เลยนะเขียนเลยนะไม่งั้นแปลไม่ถูกนะแปลยกศัพท์ก่อนแล้วค่อยแปลโวหารเจหากหากว่าเจหากว่าเจหากว่าปุริโส บุคคลหากว่าบุคคลกะยิงรากะยิงราอัตมาขอแปลว่าสามารถนะกะยิงราสามารถกระทำสามารถกระทำปุญยังซึ่งบุญแล้วก็วักนิดหนึ่งก็เติมด้วยว่าไซ ไซมาจากหากว่าจุดๆๆไซนั่นเองเจหากว่าปุริโสบุคคลกยิ่งราสามารถกระทําปุญญซึ่งบุญไซกยิงราธรรมกะยิงราทรควรกระทําควรกระทําควรกระทำเอนังเอนัง ซึ่งบุญ น, นั้นซึ่งบุญ น, นั้นปุนับปุนังบ่อยบอยปุนับปุนังบ่อยๆต่อไปกะยี่ิงราธะกะยีิราถะตัวที่สองกะยิงราธาควรกระทําควรกระทําฉันทังซึ่งความพอใจฉันทังซึ่งความพอใจ ธรรมะในบุญนั้นตรรมะในบุญนั้นอุจยโยอุจยโยการสั่งสมอุจยโยการสั่งสมปุญญัศึกซึ่งบุญปุญญัศึกซึ่งบุญสุโขเป็นความสุข อันนี้เรียกว่าแปรแบบสัตถัแปรแบบสัตทัถ้าแปรโวหารแล้วก็เรียกว่าแปรเอาง่ายๆเอาความถ้าบุคคลจะทำบุญแล้วก็ควรกระทำบุญนั้นอยู่เนืองๆหรือบ่อยๆควรทำความพอใจในบุญนั้นเพราะว่าการสั่งสมบุญนําความสุขมาให้แปรแบาเอาเขียนแปรโวหารเมื่อกี้แปลสัตทธธะนะ ต่อไปก็แปลวหารัฐะหากบุคคลจะทำบุญไซหากบุคคลจะทำบุญไซหรือละก็หากบุคคลจะทำบุญละก็ละก็เป็นคำพูดมากไปหน่อยหากบุคคลจะทำหากหากบุคคลจะทำบุญไซต่อไปควรทำบุญนั้นบ่อยๆควรทำบุญนั้นบ่อยๆไม่ต้องซึ่ง ควรทำบุญนั้นบ่อยๆควรทำความพอใจในบุญนั้นควรทำความพอใจในบุญนั้นเพราะว่าเพิ่มเข้ามาไม่มีในคาถาหรอกเพราะว่าการสั่งสมบุญเพราะว่าการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้เป็นความสุขนั่นแหละคือนำความสุขมาให้เพราะว่าการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้ คาถานี้มาจากขุตคันิกายธรรมบทพระไตรปิฎกเล่มที่25เลขข้อ118ฉบับภาษาบาลีหน้า38พระไตรปิฎกเล่ม25นะบอกอยู่แล้วในหนังสือนี่แหละเดี๋ยวจะไม่รู้ว่าเลขไหนคืออะไรข้ออะเล่มข้อหน้าเราเขียนเอาไว้ก็ได้เล่มตรงยี่้าเขียนว่าเล่มเลขกลางก็ข้อเลขท้ายก็หน้า เล่มข้อหน้าเนี่ยในทางล่างคถาบาลีเนี่ยที่บอกว่ า, วาใช่เป็นสากลสากล น, นิยมเล่มข้อหน้ายี่สิบห้าคือเล่มร้อยสิบแปดคือข้อสามสิบแปดคือหน้าเล่มข้อหน้าเป็นอย่างนี้เห็นที่ไหนก็ช่างนะเขาอ้างมาเป็นแบบนี้ก็คือเล่มข้อหน้านะั่งเอาโยมไม่เห็นเหรอนี่นี่ น, นี่อยู่ในคถาโยมนี่เอง ให้เขียนไว้ว่าเล่มข้อหน้าให้เฉยว่าอันไหนคืออันไหนเล่มข้อหน้าอ๋อยมถามหานิทานละเอาเล่านิทานให้ฟังคาถานี้มาจากเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องพระกัศปะบางคนก็ว่าพระกัศปะมหาเถระบางคนก็ว่าพระมหากัสปะเถรละคือองค์เดียวกันนั่นแหละมีเรื่องอยู่อย่างนี้ว่า อดีตการพูนนานมากแล้วก็คือย้อนไปสองพันกว่าปีเนี่ยนะเวลานั้นท่านพระมหากรสปะเถระเนี่ยจำพรรษาอยู่ในถ้ำปิพริคูหากรุงราชครือใครเคยไปเวลุวันไหมกรุงราชครือไปอินเดียแล้วเอา้ากรุงราชคือเวลุวันเขาที่จีกูดไม่ไปเหรอเอา เดี๋ยววันหลังจะแผนที่มากลางถ้าเล่าตรงไหนจะชีด้ดูอยู่ตรงนี้ตรงนี้ใกล้ๆ ก, กับตะโปธานที่เป็นที่ลำธารอาบน้ําของพวกวันณะสีเนี่ยเขาจะแบ่งชั้นชั้นสูงสุดอาบน้าําใสๆหน่อยก็วันณพราหมณ์พอเริ่มจะขุนนิดๆก็วันษัตริย์บพอขุนมากขึ้นก็วันณะแพทย์ขุนจนเป็นเนื้อวุ้นเลยก็วันณะสูตรว่าจมาไปดูแล้ววุ้นจริงๆเลย เป็นบุนเหมือนน้ำแช่ข้าวเหมือนน้ำเลงโคนคุณดำแต่เขาก็อาบบ้วนปากซักผ้าเลยตโปทานชั้นสูงสุดขึ้นไปเนี่ยมีถ้แห่งหนึ่งที่ท่านพระมหากัสปาเถระทมเป็นที่อยู่จำพรรษาทุกวันนี้ยังมีอยู่นะถ้าปิพริเนี่ยทางที่จะขึ้นไปยอดเขาที่จะไปทำตัติยสังายา ที่ทำสุบัรณกูหาเลยนะตกพระกัสปะเข้ามิงโรดสมาบัติพอออกจากสมาบัติก็มาพิจารณาใครควรว่าเอ๊ะวันนี้เราจะไปโปรดใครดีก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งปรากฏขึ้นหญิงคนนี้เฝ้าเป็นคนเป็นคนใช้เฝ้านาข้าวสาลีของเศรษฐีท่านหนึ่งตื่นเช้ามา เธอรีบไปเด็ดรวงข้าวสาลีมาทำข้าวตอกท่านพระมหากัสปะก็พิจารณาใครควรดูอัธยาศัยต่อไปว่าเอ๊ะผู้หญิงคนนี้จะศรัทธาใส่บาตรเราไหมก็เห็นว่ามีศรัทธาอ้าวงั้นเราไปบินทบาทตรงนี้แล้วกันเดินออกจากถ้าปิบผิไม่เข้าคุงราชคืนนะเดินออกกลางทุ่งเพราะหลังจากนั้นไปหลังเวรุวันไปเป็นกลางทุ่งนะัป่ปเป็นทุ่งนาของแคว้นมคธทั้งนั้นเลย ทุ่งเดียวกับที่พระอานนท์เห็นแล้วก็มาตัดเป็นจีวรเนี่ยทุ่งนาเดียวกันทุ่งนาแควนมคต์<ม>พอออกไปก็หญ<ม>ิงคนนี้เนี่ยกําลังคั่วข้าวตอกคล้ายๆข้าวโพดขั่วที่เขาขายทั่วไปนะ<ม> <laughs> ข้าวสาลีมันก็เม็ดอย่างนั้นแต่มันเม็ดเล็กๆเหมือนข้าวฟ่างอะ่ะข้าวฟ่างขั้วข้าวสาลีก็เม็ดเล็กๆ <laughs> เม็ดเล็กกว่าข้าวฟ่างอีกมาคั่วเป็นข้าวตอกอยู่ ท่านพระมหากัะสปะก็อุ้มบาทเดินผ่านนาข้าวสาลีไปผู้หญิงคนนั้นกําลังคั่วข้าวตอกอยู่เห็นพระเดินมาบินธบาตจิตเลื่อมใสมีจิตเลื่อมใสร้องถามว่าพระคุณเจ้านีมนท่านไปบิณธบาตใช่ไหมนิมนรับบินธบาตโยมก่อนท่านมหากระสปะก็ยืนถือบาตนิ่งอยู่เธอก็รีบเลือกเอาเข้าวตอกที่ส่วนที่ดีที่ข้าวที่คั่วแล้วนั่นแหะ ม า, มาใส่บาตเพราะใส่บาตแล้วกราบแทบเท้าตั้งความปรารถนาว่าข้าแต่พระคุณเจ้าที่เคารพขอดิฉันจงเป็นผู้มีส่วนแห่งธรรมที่ท่านบรรลุแล้วด้วยเถิดโปรดพูดทำให้ฟังสักหน่อยเถอะโดยความหมายนะ่ยแต่ว่าโวหารไพเราะขอดิฉันจงเป็นผู้มีส่วนแห่งธรรมที่ท่านบรรลุแล้วด้วยเถิดคือท่านบรรลุทำอะไรก็ พ, พูดให้ฟังทีอะไรอย่างเงี้ย ภาษาไอ้พระมหาก ร, ระสุนฝ่ก็ไม่ได้ยืนคุย ธ, ธรรมะให้ฟังอยู่ตรงนั้นหรอกแต่ว่าท่านให้พรแบบพรของพระยเจ้าทั้งหลายสั้นๆว่าเอวังโหตุจงเป็นอย่างนั้นเถิดก็คือปรารถนาสิ่งใดก็จงได้สิ่งนั้นผู้หญิงคนนั้นก็เลยดีใจว่าอุ๊ยเราใส่บาตแล้วปรารถนาพระท่านบอกว่าให้สําเร็จอย่างนั้นเวลานั้นปีติมีกําลังแรงจับไปทั่วร่างกาย ขนลุกซาบซากำลังได้พิธีพอท่านมหากระสปะเดินหันหลังกลับวัดผู้หญิงคนนี้ก็เดินกลับกระท่อมในระหว่างทางนั้นน่ะมีงูเห่าตัวหนึ่งกัดพระมหากัะสปะก่อนแล้วแต่ไม่โดนเพราะโดนแต่จีวรพอพระจีวรคุมหน้าแข่งกระชกและแต่ไม่ถูกขาถูกแต่จีวรพอผู้หญิงคนนี้เดินกลับคืนไปไม่มีจีวรบังไว้เหมือนพระนะ จะเป็นผ้ายังไงก็ไม่รู้นะคงจะเป็นนุ่งสั้นๆเดินตามคันนาอะไรอย่างนั้ น, นะโดนงูเห่ากัดเขาที่ขาคิดร้ายล้มลงขาดใจตายในขณะที่ตัวเองจิตปีติในกุศลและจิตที่ได้ทำกรรมรได้ถวายเข้าต่อกับพระมหาคสปันจิตดับตรงนั้นเลยไปเกิดเป็นเทพทิดาชาวเทพทิดาเทพประุติทั้งหลายเขาก็ถามอุ้ย เทิดาตนนี้องค์นี้มาจากไหนปุบขึ้นมาผิวพันุ์ผุดผ่องเหลือเกินก็ระลึกถึงอดีตแต่ชาติตัวเองได้ก็บอกโอ้ข้าพเจ้าเมื่อกี้อ่ะแป๊บเมื่อกี้เนี่ยได้ถวายข้าวตอกพระกัสปะคนเขาก็เลยเรียกชื่อตามข้าวตอกว่าราชะลอลิงสละอาช่อช้างราชะแปลว่าข้าวตอกเทพธิดาข้าวตอกเลยได้ชื่อว่าราชเทวธิดา ราชะเทพธิดาได้ชื่อว่าราชะเทพธิดาจบหรือยังยังไม่จบพอเกิดก็พิจารณาดูเราทำบุญอะไรไว้มากมายจึงมาเกิดเป็นเทพธิดาบนสวงสวรรค์อย่างนี้ก็เห็นว่าเราได้ถวายข้าวตอบแก่พระเถรระครั้งเดียวเองเอเราจะอยู่นี่นานเท่าไหร่เพราะบุญน้อยเหลือเกินอยากจะทำบุญตัวเองเให้ถาวร เมื่อกี้เราได้ใส่บาตรพระเถระจึงได้มาเกิดเป็นเทพธิดาบนสวรรค์เอาละ่ะเรามาเป็นเทพธิดาแล้วเราจะลงไปคอยอุปถัมรับใช้พระเถระเพื่อจะทำบุญตัวเองนะให้มั่นคงถาวรยิ่งยิ่งขึ้นไปลงมาเลยแปลงร่างเป็นผู้หญิงธรรมดาลงมาเวลาพระเถระไปบินธบาทมากวาดบริเวณกุฏิกวาดหมดเลยนะกวาดถ้าสมัยก่อนก็ แต่ถ้าสมัยนี้ก็กวาดหมดนี่ยทิศชุ่งทิศชู้อะไรไม่ทิ้งไว้แล้วแถวนี้ยกวาดหมดไม่เป็นเหมือนนักเรียนชั้นนี้เลิกเรียนแล้วมีทิศชู่ร่วงอยู่แถวั้ไม่รู้จะได้เกิดเป็นเทพีดาเขาก็ือเป่าถ้าเป็นเทพิดาก็เทพีดาทิศชู้ลงมาเอาไม้กวาดกวาดบริเวณเวลาพระเถระนั่งฉันก็กวาดบริเวณแถวนั้นพระเถระออกนอกกุฏิไปตักน้ํำดื่มมาเทใส่ องน้ําดื่มไว้ตักน้ําอาบมาเทใส่องค์น้ําอาบไว้พระกลับมาเห็นน้ําเต็มเอ๊ะภิสูุหนุ่มหรือสามเณรรูปในมาอุปถากเราดีจังเลยเนื่อว่าพระท่านมาคอยอุปถากวันหนึ่งในขณะที่พระมหากระสปะเนี่ยนั่งฉันพัตฐารเช้าอยู่ได้ยินเสียงกวาดลานรอบๆกุฏิคิดว่าเอ๊ะสามเณรจะมากวาดกุฏิทําไมฉันเสร็จเร็วจังก็เลยเหลือบไปมองเห็นผู้หญิงมากวาดอยู่ ถ้ามาหากรสปะรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาเนี่ยเป็นเทพที่ดังก็เลยเรียกมาบอกว่าเธอมาทำอะไรอยู่นี่บอกว่ามากวาดกุฏิถวายท่านบอกว่าไปเลยไม่ต้องกวาดหรอกไปเถอะไปไหนก็ไปบอกว่าไม่ได้ดิฉันอยากจะทำทำไม่ได้เป็นผู้หญิงมาทำไม่ได้เพราะอาตมาอยู่ตรงนี้ก็รูปเดียวแล้วก็มีผู้หญิงมากวาดอยู่รอ บ, รอบๆก็คนเดียว วันข้างหน้าพระหนุ่มเนรน้อยเขาจะนินทาได้ว่าเวลาเขาขึ้นแทบบนธรร ม, มาทิไรเขาก็จะปราลบว่าอดีตการนานมาแล้วมีพระเถระรูปหนึ่งตามว่ากัดสปะมีแทบทิดาสาวสวยมาคอยอุปถากรับใช้มันจะเสียหายมันจะเสียหายเธอไปเลยไม่ต้องมาทำหรอกบอกว่าไม่ได้หรอกยากจะทําแล้วก็อ้างเหตุผลแล้วเหตุผลเล่าบอกว่าดิฉันเนี่ยได้ถวายเข้าต่อแก่ท่านวันก่อนจําได้ไหม ตอนนี้ไปเกิดเป็นเทพธิดาบุญน้อยแล้วเกินกลัวจะหมดบุญก่อนอยากจะทําบุญให้ผาวอนผาวอนอยากจะทําให้มากขึ้นมาขึ้นพระมหากรสปะเอะไล่อย่างไงก็ไม่ยอมไปตบมือเพี้ยเลยจะไปหรือไม่ไปเสียใจร้องให้เหาะออกจากหน้ากุติพระมหาสปะลอยผ่านหน้าพระคันธกุฎีพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้ยินเสียงเทพธิดาร้องไห้ผ่านหน้าพระคันธกุฎีไปเนรมิตรพระองค์ไปลอยอยู่ข้างหน้าถามว่า เธอเป็นอะไรก็เลยเล่าบอกว่าพระเถระไล่หนีมาเสียใจมากไม่ได้ทำบุญต่ออีกอยากจะทำบุญให้มากก็ไม่ได้ทำพระพุทธเจ้า ก, ก็เลยปลอบว่าอย่า ก, กังวลอย่างนั้นเธออย่าคิดอย่างนั้นเพราะการสำรวมอินทรีย์เป็นเรื่องเป็นพางระหนักของท่านกัสปะ ส่วนการขนขวายบุญนะเป็นหน้าที่ของเธอจะต้องทําแต่การสํารวมอินทรีย์เป็นฐานเป็นเรื่องเป็นภาระของท่านพระเถระนั้นแล้วพระเจ้าพระตรัสคาถาเนี่ยตคาถาปรอบเอาใจราชาเทวทิดาบอกว่ า, วาถ้าจะทําบุญแล้วก็เห็นไหมปุริโสนีไม่ได้หมายถึงผู้ชายนี่ตัดกับพระเทพทิดาถ้าบุคคลจะทําบุญก็ควรทําบุญนั้นบ่อยๆทํามากๆทําให้มากขึ้น ควรทำความพอใจในบุญนั้นเพราะว่าการสั่งสมบุญนี่นำความสุขมาให้อะเพื่อจะให้ได้เนื้อความของคาถาเป็นหูสูตรด้วยเป็นบุญแก่ปากด้วยว่าคาถาสามจบแปลหนึ่งจบคุณยันเจปุริโสกยิงรากัยิงราเถนังปุน่ปูนังตัมหิชันทางกัยิงราถะ สุโคปัญญาอุจโยถ้าบุคคลจะังบุญใสควรทำบุญนั้นโดยเยควรพัฒนาความใจในงานนั้นเพราะว่าการสัะสมบุญนำมาสุดใจต่อไปไปเห็นคาถาอย่างนี้อยู่ที่ไหนก็สบายสิไม่ใช่มีเฉพาะที่นี่ที่เดียวนะคาถาเนี้ยมีอยู่หลายแห่งในพระไตรปิฎก เวลาเราไปเปิดเจอคาถาพวกนี้เราก็แปลได้แล้วตอนเนี้ส่วนคําไหนจดไม่ทันแปลไม่ทันอะไรก็มีคําแปลสับควรรู้ถ้าสําไหนที่คิดว่าเราแปลยากแล้วอาจารย์ไม่ได้แปลไว้ให้แล้วก็เขียนเพิ่มลงไปนะมีคําไหนแปลว่าอะไรได้อีกแล้วก็เขียนเพิ่มลงไปเช่นนานไปนานไปเอตําหีแปลว่าอะไรกลัวจะแปลไม่ได้เราเติมลงไปในนี้ถอต่อท้ายมา น, น, นี่สับควรรู้เนี่ย นันไปนันไปมาทวนก็จะได้ชัดเจนมากขึ้นยังไม่จบบทนี้ต่อไปเปิดหน้าแปดที่ผ่านมานั่นนะ่ะแปลบาลีเป็นไทยตอนนี้เราจะแปลไทยไปเป็นบาลีพระพุทธเจ้าย่อมเสด็จมาสามเณรย่อมไปเด็กหญิงย่อมนอนท่านย่อมหุงท่านน้งหลายย่อมไปข้าพเจ้าย่อมมาพวกเรากำลังนั่ง เอาละคำพวกนี้นเป็นคําธรรมดานี่แหละพระพุทธเจ้าเสด็จมาบาลีว่าไงพุทโออาคัตฉติชันติอุชะติะตเอกพจน์ก็ต้องเอกพจน์ให้ตรงกันเขียนพุทโธอาคัตฉะติอย่าให้ชันนะถ้าชันพู้หูพจน์ต้องเป็นพุทธาพุทโธอาคัตฉติพระพุทธเจ้าเสด็จมา ข้อสอสามเณรย่อมไปาม อ, ะะอาก็ต้องมาสิสามเณรโรคัดฉะติสามเณรโรคัดฉติต่อไปเราจะได้รับจ้างแปลไทยเป็นบาลีต่อไปข้อ3เด็กหญิงย่อมนอนเด็กหญิงมีภาษาบาลีทั้งเยอะแยะเลย ทางริกาก็เด็กหญิงกุมารรีก็เด็กหญิงกุมาริกาก็เด็กหญิงกุมารริกาก็ได้กุมารีก็ได้ทางริกาก็ได้นอนบาลีว่าไงเสติหรือสัติสัติก็ได้เสติก็ได้เขียนไว้ทั้งสองตัวทางริกาเสติตสัติเสติตสัติ ส ต, ติได้เหมือนกันสยติได้เหมือนกันข้อสี่ท่านย่อมหงท่านตุวงัวงหรือตวงังตวังหงปจัปจจติไม่ได้ปจัจจติตรงกับตะวังไม่ได้ตวาวังคู่กับอะไรอ่าใส่ให้ถูกตวาวังปจัจจสีเรื่องบูรุษสำคัญมากนะผิดไม่ได้เลย ตวังปัจจสิตุมเหปั จ, จนะตะวังก็ต้องปัจจสิตะวังปัจจสิต่อไปท่านทั้งหลายย่อมไปตุ้มเหไปฮคัดอะไรใช่ไหมตุ้มเหคู่กัาใช่ไม <ป S 2> ตุมเหตุ้มเหคู่กับาตุ้มมะเหคัดชะธตุ้มมะเหคัดชะ ไม่ใช่คัดฉันทะคัดฉะทะนั่นแหละสูตรโสติเตนติในสำคัญต้องแม่นเตี้ยเลยพอเห็นประธานปุ๊บ ก, ก็ ร, รู้กิริยาเลยว่าลงด้วยอะไรต่อไปข้อหกข้าพเจ้าย่อมมาอาหังอาคัดฉา ม, มิอาหังอาคัดฉามิอาหังอาคัดฉามิ ข้อเจ็ดสุดท้ายพวกเรากําลังนั่ง ม, ย, งมยังพวกเรากําลังนั่งนิสีตินิสีตันติ <c oughs> เอา เ, อาเอาไปเรื่อยเลยท่านนมะมยังก็ต้องคู่กับมะสิมยังนิสีธรมะนิสีธามะนิสีธาททหารนิสีธามะมะยังนิสีธามะพวกเรากําลังนั่ง